บทที่สิบเจ็ดคุณนายพานพบในแพทย์สมมิ่งส่งพยาบาลชุดเดิมมาตรวจดูอาการป่วยของท่านพระครูขุนทองจึงถือโอกาสที่ท่านเจ้าของกุฏิไม่อยู่รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเล่าเสียละเอียดยิบเว้นไว้เรื่องเดียว คือเรื่องที่เขาทะเลาะ ก, กับสตรีสามีหายเล่าจบจึงแนะนำให้พาท่านกลับไปยังโรงพยาบาลดังเดิมคืนให้อยู่ที่วัดรับรองค่ะหลวงลุงหายแน่พูดทั้งวันทั้งคืนนี่ก็กาลังสอนกรรมาฐานอยู่ที่ห้องประชุมโน้นก็ท่านยังอาพาธอยู่จะสอนได้ยังไงถ้าพี่ไม่เชื่อหนูก็เดินไปดูก็ได้ดูให้เห็นกับตาเลย พูดกับพยาบาลเข้าแทนตัวเองว่าหนูเพราะคุ้นเคยกันแล้วนั้นเราไปดูกันเถอะแล้วรีบกลับไปรายงานหมอใหญ่พยาบาลทั้งสองคนเดินจากกุฏิไปยังหอประชุมเจริญชัยเห็นท่านพระครูกำลังสาธิตการเดินจงกรมให้กับผู้ปฏิบัติที่ยังเดินไม่เป็นก็พากันโวยวายตายแล้ว ถึงขนาดซ้อนเดินเชียวหรือเนี่ยเรารีบกลับไปรายงานหมอใหญ่กันเถอะให้ท่านส่งรถพยาบาลมารับไปเดี๋ยวนี้เลยลำพังเราสองคนไปพูดหลวงพ่อท่านไม่ยอมฟังแน่ตกลงกันแล้วจึงพากันกลับไปยังโรงพยาบาลสิงห์บุรีฟังรายงานจากพยาบาลแล้วในแพทย์สมมิ่งก็โทรศัพท์ไปหาในแพทย์ประดิษฐ์ทันที เขาเล่าให้อาจารย์ฟังตามที่พยาบาลสองคนมารายงานพรุ่งนี้ส่งมาหาผมผมจะใส่เฟือกเพิ่มอีกห้ากิโลคราวนี้ท่านอาปากไม่ขึ้นแน่นอนนายแพทย์ใหญ่สั่งหมอใหญ่ท่านคงไม่ยอมมาหรอกครับท่านห่วงงานยิ่งกว่าชีวิตคุณก็กราบเรียนท่านสิว่าผมจะเอาเฟือกออกให้จะได้ทำงานสะดวกสะดวก เท่ากับผมมุสาแบบนี้ผมไม่บาปหรืครับอาจารย์หมอกกหกคนไข้ไม่บาปหรอกเพราะเราต้องการให้ท่านหายเอาละพรุ่งนี้คุณส่งมาหาผมเลยนะเท่านี้นะสมภารวัดป่ามะม่วงดีใจนะักเมื่อในแพทย์สมมิ่งขับรถมาเยี่ยมไข้ท่านถึงวัดนอกจากนี้ยังบอกข่าวดีอีกว่าอาจารย์หมอประดิษฐ์จะเอาเฟือกออกให้ท่าน ท่านเรียกนายสมชายมาสั่งการว่าวันพรุ่งนี้ท่านจะเข้ากรุงเทพแต่เช้าให้เขาเตรียมรถไว้ท่านไม่อเอะใจเลยสันิดว่าหลงกลในแพทย์ทั้งสองเข้าแล้วนายสมชายกับนายขุนทองนำท่านพระครูมาถึงโรงพยาบาลเลิดสินมเมื่อเวลาเก้านาิกานาทีนายแพทย์ประดิษรรออยู่แล้วเขาจัดการตามที่ได้ตกลงไว้กับนายแพทย์สมมิ่งผู้เป็นสิ สมผานวัดป่ามะม่วงรู้สึกเพลิดเพลินเมื่อได้สนทนากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโรคกระดูกต่อเมื่อเวลาผ่านไปสักสามชั่วโมงท่านจึงรู้สึกตัวว่าเนื้อตัวมันหนักผิดปกติคุณหมออาตมารู้สึกว่ามันหนักทั้งตัวเลยก็ไหนคุณหมอว่าจะเอาเฝือกออกไงล่ะนายแพทย์ประดิษฐ์จึงเฉลยว่าท่านครับผมต้องขออโหสิกรรมที่ไม่ได้พูดความจริงกับท่าน ผมเป็นคนแนะนำหมอสุก ม, มิ่งให้นำท่านมาที่นี่เพื่อจะใส่เฝือกให้ท่านอีกห้ากิโลและนี่ก็กำลังจะเสร็จแล้วเหลือแต่ใส่ส่วนศรีรษะซึ่งเราจะเริ่มตั้งแต่คางขึ้นไปและท่านก็จะพูดไม่ได้อีกตอนนี้ยังพอพูดได้บ้างท่านจะต่อว่าผมอย่างไรก็นิมนต์ได้เลยครับในแพทย์ใหญ่พูดเสียงเนิบเนิบ าว่าน้ำเสียงบ่งบอกถึงชัยชนะที่สามารถหลอกพระอรหันได้ท่านพระครูอยากจะร้องไห้เมื่อรู้ว่าเสียรู้ในแพทย์ใหญ่เขาแล้วท่านจึงกำหนดเห็นหนอเพื่อจะหาถ้อยคํามาต่อว่าแต่เห็นหนองกลับบอกว่าหมอเขาทำถูกแล้วท่านจะต้องอยู่โรงพยาบาลสิงห์บุรีต่อไปเป็นเดือนรวมแล้วห้าสิบเอ็ดวัน หลังจากนั้นท่านจะทำงานได้เป็นปกติแต่ถ้าไม่ใช้วิธีนี้ท่านก็จะลาบากในภายหลังนั่นแหละท่านจึงมั่นใจว่าหมอไม่ได้ทําผิดจึงไม่คิดจะต่อว่าท่านจะต่อว่าอย่างไรก็นิมนต์ตามสะดวกนะครับผมให้เวลาห้านาทีนายแพทย์ประดิษฐ์ย้าท่านพระครูสายศรีรษะช้ า, ชา แทนคําตอบท่านไม่ตอบว่าก็แสดงว่าท่านเอาโหสิกรรมให้ผมแล้วใช่ไหมครับนายแพทย์ใหญ่ถือโอกาสสรุปคราวนี้ท่านพระครูพยักหน้างั้นผมจะลงมือใส่เฝือกส่วนศีรษะเลยนะครับจากนั้นก็จะให้น้ําเกลือพันซีซีเพราะท่านไม่ได้ฉันเพนใส่เฝือกเสร็จสมพานวัดป่ามะม่วงรู้สึกเหมือนถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน ที่หนักที่สุดลำพังตัวก็หนักสาหัสพอแล้วนี่เขายังใส่สศีรษะตรึงคางไว้ให้แน่นไม่ให้ขยับปากพูดจะฉันน้ำก็ต้องใช้หลอดพลาสติกจุ่มให้น้ำเข้าไปขังแล้วก็ใช้นิ้วอุดไว้ด้านหนึ่งใส่หลอดลงไปในปากซึ่งพออ้านิดเดียวก็เจ็บจนเลือดไหล แล้วก็ยกนิ้วที่อุดไว้ออกจึงไหลเข้าลำคอแต่ก็ปริมาณน้อยนิดไม่พอแก้กระหายครั้นจะฉันให้อิ่มก็เจ็บตอนอ้าปากเลยต้องเลือกทนหิวแทนทนเจ็บท่านนึกไปถึงโยมยายที่บอกว่าท่านกินของที่ให้นำไปถวายพระบาปกรรมนั้นจะทําให้ท่านตายไปเกิดเป็นเปรต ปากเท่ารูเข็มโยมยายอาตมาปากเท่ารูเข็มตั้งแต่ยังไม่ตายโยมยายใจร้ายแช่งอาตมาได้ท่านนึกต่อว่าต่อขานโยมยายทั้งที่รู้ดีว่านั่นเป็นกรรมที่ท่านทำไว้ด้วยตัวท่านเองหาใช่โยมยายทำให้ไหม่ สงสารหลงลุงจังเลยฮะสงสารที่หลงลุงพูดไม่ได้คงจะทรมานน่าดูเพราะเคยพูดแล้วไม่ได้พูดสงสารสงสารจริงๆเขาทำเสียงอ่อนเสียงหวานหากท่านพระครูก็รู้ว่าเขาตั้งใจย่อเย้ยท่านมากกว่านายแพทย์ประดิษฐ์ต้องให้รถพยาบาลไปส่งท่านพระครูเพราะขามาท่านนั่งมาจึงมารถในสมชายได้ าว่าขากรับท่านต้องนอนให้น้ําเกลือไปจึงต้องใช้รถของโรงพยาบาลสมพันวัดป่ามะม่วงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิงห์บุรีด้วยความทุกข์ทรมานเป็นที่สุดเพราะพูดก็ไม่ได้จะฉันข้าวฉันน้ำก็ไม่ถนัดอ้าปากแต่ละครั้งก็เจ็บถึงกับเลือดออกซิบสิบแต่ถึงจะพูดไม่ได้ภาระหน้าที่ของท่าน ก็ไม่ได้หยุดชะงักไปด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะญาติโยมมาขอให้ช่วยไม่เว้นแต่ละวันลูกหายบ้างผัวหายเมียหายบ้างท่านไม่มีลูกไม่มีเมียผัวก็ไม่มีแต่พวกเขากลับมายัดเยียดหน้าที่ตามหาคนเหล่านี้ให้แม้จะพูดไม่ได้ท่านก็อุตสาห์เขียนหนังสือบอก นอกจากเรื่องคนหายแล้วก็ยังมีปัญหาอื่นๆมาให้ช่วยแก้โลกกำลังเจริญก้าวหน้าปัญหาทั้งหลายก็เจริญก้าวหน้าตามไปด้วยพระครูเจริญจึงต้องมานั่งแก้ปัญหาที่มากับความเจริญทั้งหลายไม่ได้หยุดไม่ได้พักแม้ในยามอาพาธเจ็บป่วยเหลือเวลาอีกสามวันก็จะครบห้าสิบเอ็ดวันท่านพระครูโล่งใจ ที่จะได้ออกจากโรงพยาบาลเสียทีท่านตั้งสัต์อธิษฐานว่าจะไม่ขอเข้าโรงพยาบาลอีกหากจะต้องล่วงลับดับขันก็จะขอให้ดับอยู่ที่วัดป่ามะม่วงจะสั่งลูกศิษย์ลูกหาไว้ว่าห้ามนำท่านส่งโรงพยาบาลเป็นอันขาดคุณนายพานพบมากราบเยี่ยมและรายงานว่า ในห้างทองหยดชลาธรสามีของเธอได้เสียชีวิตแล้วและจะทำพิธีชาปนกิจในวันพรุ่งนี้ท่านพระครูจึงให้นายสมชายไปขออนุญาตในแพทย์สมมิ่งให้ท่านไปงานในห้างนายสมชายออกไปได้สักประเดี๋ยวหมอใหญ่ก็เดินเข้ามาในห้องพูดเสียงหนักแน่นว่าผมให้อนุญาตหลวงพ่อไม่ได้หรอกครับ อีกสามวันหลวงพ่อก็จะได้กลับวัดแล้วแต่ถ้าไปงานอาจจะต้องอยู่ต่ออีกสามเดือนหลวงพ่อจะไหวหรือครับหมอเขอนุญาตแบบที่ไม่ต้องให้อยู่ต่อไม่ได้หรือท่านต่อรองผมต้องปฏิบัติตามคําสั่งอาจารย์ของผมอย่างเคร่งครัดครับเขาหมายถึงอาจารย์แพทย์ประดิษฐ์คุณนายพานพบจึงช่วยตัดสินว่าหลวงพ่ออย่าไปเลย เดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นมาดิฉันคงไม่สบายใจไปจนตลอดชีวิตที่ดิฉันมาเรียนก็เพื่อจะขอปรึกษาหลวงพ่อเรื่องที่ในห้างเ้าสั่งให้ดิฉันมาเรียนขออนุญาตหลวงพ่อสร้างศาลาสวดพระอภิธรรมที่วัดป่ามะม่วงค่ะให้ตั้งชื่อศาลาว่าศาลาทองหยดพานพบฉลาธรแต่ดิฉันอยากจะขออนุญาตตั้งชื่อว่าศาลาพานพบทองหยด ชลาทอนคือเอาชื่อดิฉันนำหน้าเพื่อเป็นการแก้แค้นที่เขาแอบไปมีเมยน้อยไว้ที่บางระจันเธอบอกเหตุผลคุณนายยังไม่หายแค้นอีกหรือเรื่องมันผ่านไปนานแล้วต่อให้ผ่านไปนานแค่ไหนดิฉันก็ไม่มีวันลืมค่ะคิดขึ้นมาเทียวไรมันเจ็บใจทุกครั้ง แล้วคุณนายมีความโศกรือที่ทำอย่างนั้นเอาละอาตมาขอบินทบาทเธนะไหนไห น, ไหนในห้างเขาก็ตายไปแล้วน่าจะคิดถึงแต่สิ่งดีๆของเขาอะไรที่ไม่ดีก็อย่ากเก็บเอามาคิดเพราะถ้าคิดคุณนายนั่นแหละจะเป็นทุกข์อย่าได้ไปจองเวรจองกรรมกับในห้างเลยนะพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่า เวนจะหยุดก็ต้องหยุดจองเวนคำพูดของท่านพระครูทําให้คุณนายพานพบถึงกับน้ําตาไหลทั้งรักทั้งแค้นแน่นอกสามีตายไปแล้วเธอก็ยังไม่หายแค้นท่านพระครูเข้าใจความรู้สึกของเธอดีจึงแนะนําด้วยเมตตาว่าวิธีจะทําให้คุณนายหายเครืองแค้นก็คือต้องเข้ากรรมฐาน เสร็จจากงานศพในห้างแล้วอาตมาอยากให้คุณนายมาเข้ากรรมาฐานสักเจ็วันแล้วคุณนายจะรู้ว่าความสุขที่เกิดจากการให้อภัยนั่ น, น่ะเป็นอย่างไรถ้าคุณนายยังเคืองแค้นอยู่ก็เหมือนใจถูกไฟสุ่มอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะต้องทุกไปจนกว่าจะตายตายแล้วก็จะต้องไปทุกขติซึ่งทุกขหนักกว่าตอนเป็นสิเอกแล้ว จะทำร้ายตัวเองไปทำไมนี่อาตมาเห็นแก่ในห้างนะถึงได้พูดกับโยมอย่างตรงไปตรงมาค่ะดิฉันจะเข้ากรรมาฐานหลังเสร็จงานแล้วตกลงหลวงพ่ออนุญาตให้ดิฉันตั้งชื่อศาลาว่าศาลาพานพบทองหยดชาลาธร น, นะคะเธอวกกลับมาพูดเรื่องศาลาสวดพระอภิธรรม เรื่องนั้นรอให้คุณนายออกจากกรรมาฐานเสียก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่ก็เป็นอันว่าหมอเข้าม่อนุญาตให้อัตมาไปเผาศพในห้างงั้นพรุ่งนี้อัตมาจะให้ลูกศิษย์นำผ้าไตรหนึ่งสำรับไปร่วมทำบุญก่อแล้วกันอาตมาขออุทิศส่วนกุศลให้กับในห้างทองยดชลาธรผู้ส่งเคยช่วยงานอัตมา อาตมานึกถึงบุญคุณในห้างเสมอพระประธานในโบสถ์ในห้างก็เป็นคนสร้างแล้วแบบนี้เขาจะไปตกนรกไหมคะเขาผิดศีลข้อสามคงต้องตกนรกแน่นอนถึงจะสร้างอะไรต่ออะไรไว้มากมายก็ตามจะตกหรือไม่ตกก็ขึ้นอยู่กับสภาวะจิตของเขาตอนจะขาดใจถ้าขณะนั้นจิตเป็นกุศลก็จะไปสู่สุขคติ ถ้าจิตเป็นอกุศลก็ไปทุกขติแต่ถ้าเข้าไปเกิดในสุขติเช่นไปเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วก็สร้างคุณงามความดีมันทำบุญทำกุศลกรรมชั่วก็จะยังตามเขาไม่ทันต่อเมื่อกำดีหมดเมื่อไรกรรมชั่วก็จะมาให้ผลเหมือนรถหมดน้ำมันไม่สามารถวิ่งต่อไปได้อาตมาจึงสอนญาติโยมเสมอว่า ให้สร้างความดีหนีความชั่วโดยการมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานแต่บางคนเขาก็ไม่เชื่อต่อแล้วแต่เวรแต่กรรมเขาหลวงพ่อครับวันนี้เป็นวันแรกที่ผมเอาเฟือกออกให้หลวงพ่อผมไม่อยากให้หลวงพ่อพูดนานๆครับประเดี๋ยวแผลจะกำเริบอีกในแพทย์สมมิ่งเตือนเมื่อเห็นว่าคนไข้พูดมานาน ถ้าเช่นนั้นอีฉันขอกราบลาละค่ะหลวงพ่อจะได้พักผ่อนคุณนายพานพบเอ่ยลาแล้วจึงชวนลูกชายกลับนมใหญ่นั่งฟังการสนทนาและไม่ค่อยพอใจมารดาที่อาคาตแค้นเคืองบิดาครั้นจะพูดอะไรออกไปก็เกรงว่ามารดานั้นจะเสียหน้าสู้นิ่งอยู่ต่อเมื่อมารดาชวนกลับ เขาจึงกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วจึงลาในแพทย์สมมิ่งออกจากห้องมาแล้วคิดจะต่อว่ามานดาแต่ก็ต้องเปลี่ยนใจมานดาของเขากำลังเศร้าโศกหากเข้าไปเพิ่มความทุกข์ให้อกีกก็จะได้ชื่อว่าเป็นลูกอกตันยูทางที่ดีคือนิ่งเสียโบราณสอนไว้ว่าพูดไปสองไพเบีย้ยนิ่งเสียตำลึงทอง เมื่อท่านพระครูออกจากโรงพยาบาลลูกศิษย์ลูกหาก็จัดงานทำบุญสู่ขวัญให้ท่านอย่างมโหาราณมีการบรรเลงดนตรีไทยสามวันสามคืนส่วนการแสดงมโหรสพนั้นท่านพระครูไม่อนุญาตด้วยเหตุผลที่ว่าคนผ่านสันดานหยาบจะมามีเรื่องมีราวในวัดเพราะเคยมีปรากฏเสมอๆที่คนฆ่ากันตายในงาน และสมภารก็ต้องถูกสอบสวนส่วนคนที่มาเที่ยวก็เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตนับตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลพระครูเจริญก็ทุ่มเทเวลาให้กับการสอนกรรมฐานเพื่อใช้นี่มนุษย์ดังที่ได้สัญญาวไว้กับพญามัจจุราชสถาบันและโรงเรียนต่างๆ ส่งนิสิตนักศึกษาตลอดจนนักเรียนมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่ามะม่วงกุฏิกรรมฐานถูกสร้างขึ้นอีกหลายหลังหากก็ยังไม่พอกับความต้องการบางหมู่คณะก็ต้องมากางเต็นท์นอนกันในสนามหน้าวัดพระโบเยวพระมหาบุญเป็นกำลังสำคัญในการทำงานให้งานของท่านเสร็จล้วงโดยพระโบเยว ช่วยในด้านการสอนส่วนพระมหาบุญช่วยบริหารงานในวัดตั้งแต่การจัดการเรื่องที่พักตลอดจนอาหารการกินให้กับผู้มาปฏิบัติธรรมกิจกรรมต่างๆดําเนินไปด้วยดีกระทั่งถึงวันที่พระบัวเหี่ยวต้องชดใช้กรรมช่วงนั้นก็มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยครูกลางเต้นอยู่ในสนามพวกเขาจะมาปฏิบัติกันสมวันสามคืน สองวันแรกผ่านไปด้วยดีแต่ตกเย็นในวันที่สามก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นอีกนั่นคือพระบัวเหียวไม่ทราบว่าเป็นอะไรท่านเอาศีรษะพุ่งเข้าชนเสาสัตบัรเสียงดังอักแล้วตัวท่านก็ส่งเสียงร้องเหมือนวัวถูกเชืออปัรดานักศึกษาพากันออกมาดู พระมหาบุญกับพระในวัดพยายามจับท่านไว้หากก็ไม่สามารถทานกําลังของท่านได้ไม่รู้ว่าท่านเอาเรียวเอาแรงมาจากไหนวิ่งเข้าชนต้นสัตตบัณแล้วก็ส่งเสียงร้องนายสมชายกับนายสมชาติวิ่งเข้าไปรัดเอวท่านไว้ท่านก็ดิหลุดออกไปแล้วก็วิ่งเข้าชนต้นสัตบัณเหมือนกับวัวควิดต้นไม้ป่าก็ส่งเสียงร้องเหมือนเสียงวัวถูกเชือด เลือดสีแดงสดไหลออกมาเปื้อนจีวรชุ่มโชกใบหน้าของท่านเต็มไปด้วยเลือดดูน่ากลัวอาจารย์บัวเฮียวถูกผีเข้านักศึกษาคนหนึ่งพูดขึ้นสงสัยจะจริงเพราะเรียวแรงมากเหลือเกินพวกเราเตรียมตัวกลับกันเถอะขืนอยู่ประเดี๋ยวถูกผีเข้าอีกไปตามอาจารย์มาดีกว่าบอกให้สั่งนักศึกษากลับได้แล้ว ข้าชัดจะกลัวเป็นอย่างอาจารย์ัวเยียวซะแ ล, ะละ้วล่ะอีกคนหนึ่งพูดขึ้นท่าทางเขากลัวจนหน้าซีดหลวงพี่ครับหลวงพี่รู้ตัวหรือเปล่านายสมชายตะโกน ด, ด้วยเสียงอันดังทั้งที่ยืนใกล้ท่านมากกว่าคนอื่นๆ รถเก๋งคันหนึ่งแล่นเข้าประตูวัดมาเจ้าภาพที่นิมนต์ท่านพระครูไปเจริญพระพุทธมนตในงานมงคลสมรสเพิ่งจะขับรถมาส่งนายสมชายรีบวิ่งไปราย ง, งานว่าหลวงพ่อครับหลวงพี่บัวเฮียวไม่รู้เป็นอะไรวิ่งชนต้นสัตบัญชนเอาชนเอาจ น, นเลือดท่วมตัวแล้วครับหลวงพ่อไปช่วยท่านหน่อยเถอะครับผมกับจะสมชาติช่วยกันจับ ท่านก็สลัดกระเด็นเลยพวกพระช่วยกันจับก็ไม่มีใครสู้แรงท่านได้ท่านพระครูพูดเสียงเรียบเรียบว่าท่านกำลังใช้กรรมฉันรู้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเจ้ากรรมนายเวรเขาเลือกมาทวงตอนที่ฉันไม่อยู่วัดนอกจากฉันไม่มีใครช่วยท่านได้และจึงเดินนำสมชายไปยังต้นสัตบันญข้างโบสถ์ ท่านแผ่เมตตาให้น้องชายในอดีตชาติแล้วจึงบอกด้วยเสียงที่เปี่ยมด้วยเมตตาว่าบัวเฮียวหลวงพ่อมาช่วยแล้วตั้งสติให้ดีแล้วกำหนดหยุดนอหยุดนอไม่เป็นอะไรนะบัวเหียวนะพระบัวเฮียวจึงทำตามที่ท่านสั่งจากนั้นจึงเดินเข้าไปหาและก้มลงกราบแทบเท้า ของอุปชาหลวงพ่อครับมันทรมานเหลือเกินช่วยผมด้วยพิกษุหนุ่มพูดเสียงละห้อยหลวงพ่อช่วยแล้วไม่เป็นไรนะบัวเ ย, ยวใช้กรรมหมดแล้วต่อไปนี้จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเมื่อได้ยินว่าใช้กรรมหมดแล้วพิกษุวัยสเอดก็เกิดปีติเลือดที่เปื้อนใบหน้าและจีวร หายไปราวปฏิหารท่านพระครูรู้ว่านักศึกษาที่เห็นเหตุการณ์พากันเข้าใจผิดคิดว่าพระบัวเหี้ยวถูกผีเข้าจึงได้บอกกับพวกเขาว่าอาจารย์บัวเหี้ยวไม่ได้ถูกผีเข้านะหนูอย่าเข้าใจผิดท่านกําลังใช้กรรมอยากรู้ไหมละ ว, ว่าทํากรรมอะไรไว้อยากรู้ครับ อยากรู้ค่ะบรรดาหนูๆตอบพร้อมกันสมภารวัดป่ามะม่วงจึงบอกพระโบเฮียวว่าอาจารย์โบเฮียวช่วยเล่าให้เด็กนักศึกษาฟังหน่อยว่าท่านทำกรรมอะไรไว้เล่าให้ละเอียดเลยนะครับผมพระโบเฮียวรับคํได้วยความเต็มใจท่านตั้งใจจะเล่าให้นักเรียนนักศึกษาฟังเป็นธรรมทาน ถ้าเช่นนั้นก็เดินเรียงแถวกันไปที่หอประชุมที่นั่นมีไมโครโฟนจะได้ได้ยินกัน่วดถึงเมื่อนักเรียนนักศึกษาพากันเข้าแถวและเดินไปยังหอประชุมท่านพระครูจึงบอกพระโบเหียว่าหลวงพ่อจะไปนั่งเป็นพยานให้เกิดมีคนไม่เชื่อหลวงพ่อจะได้รับรองว่า ที่อาจารย์บัวเฮียวพูดมานั้นเป็นความจริงทุกประการไปกันเถอะแล้วท่านจึงเดินนำพระบัวเฮียวไปยังหอประชุมเจริญชัยพระบัวเฮียวรู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาดเมื่อท่านพระครูใช้คำพูดแทนตัวท่านว่าหลวงพ่อแทนที่จะเป็นชั้นอย่างแต่ก่อนท่านมีกำลังใจที่จะเล่าประสบการณ์ของท่าน ให้นักเรียนนักศึกษาฟังอย่างไม่ปิดบงังเพื่อที่พวกเขาจะได้เกรงกลัวต่อบาปและละเว้นการทำความชั่วจะได้ไม่ต้องมาชดใช้กรรมเหมือนอย่างท่านนับว่าท่านโชคดีที่มีอุปชาเป็นกาลยานามิตรเช่นท่านพระครูเมื่อมีโอกาสแก้กรรมตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่หากไม่ได้ชดใช้กรรมเสียแต่บัดนี้จะต้องไปชดใช้ในเมืองนรก อย่างแน่นอนน่าแปลกที่พระบูเฮียวบรรยายติดต่อกันได้ถึงสองชั่วโมงโดยแม่รู้สึกอัดอัน้นขัดเขินเช่นแต่ก่อนข้างฝ่ายคนฟังก็ตั้งอกตั้งใจฟังเป็นอย่างดีไม่มีการพูดคุยหรือว่าเล่นกันเหมือนสองวันแรกครั้นการบรรยายจบลงก็มีเสียงสาธุดังลั่นหอประชุม ท่านพระครูก็เปลงเสียงสาธุเป็นการอนุโมทนากับผู้แสดงธรรมด้วยดีมากบัวเหียวพูดได้ดีมากหลวงพ่อขออนุโมทนาเป็นเพราะบารมีหลวงพ่อคุ้มครองกระผมกระมังครับผมจึงได้พูดดีกว่าทุกครั้งหลวงพ่อครับคืนนี้ผมจะเข้าผลสมาบัติห้าชั่วโมงจะได้ไหมครับ ภิกษุผู้ใช้กรรมไปหมัดมเรียนถามได้เธอสามารถเข้าได้ตามที่พูดข้อนั้นฉันรับรองทำไมหลวงพ่อไม่พูดกับผมเหมือนเมื่อตะกี้ล่ะครับฟังแล้วอบอุ่นดีแบบเมื่อตะกี้น่ะแบบไหนฉันไม่เข้าใจที่เธอพูดก็แบบที่หลวงพ่อพูดแทนตัวเองว่าหลวงพ่อ แล้วเรียกผมว่าบวยเหียวแทนที่จะเรียกว่าชั้นกับเธอนะครับก็ตอนนั้นชั้นสงสารเธอแต่ตอนนี้ไม่สงสารแล้วท่านพระครูฉเฉลยแล้วผมจะทำยังไงดีล่ะครับหลวงพ่อถึงจะสงสารผมตลอดไปทำตนเหตุ้นวัง ว, งวนแห่งสงสารสาครจะอาวาดวัดป่ามะม่วงตอบเป็นปริศนา